ศีลานุสติกถาวิธีเจริญศีลานุสติกรรมัฏฐานก็แหละอันโยคีบุคคลผู้มีความประสงค์เพื่อจะเจริญศีลานุสติกรรมัมฐานไปในที่ลับหลีกเร้นอยู่ณเสนาสนะอันสมควรพึงระลึกเนือ ง, งถึงศีลทั้งหลายของตนด้วยสามารถแห่งคุณมีความเป็นศีลไม่ขาดเป็นต้น อย่างนี้โอ้หนอศีลทั้งหลายของเราอคันธานิเป็นศีลไม่ขาดอ จ, จิตธานิเป็นศีลไม่ทะลุอัสสะพลาานิเป็นศีลไม่ด่างอัคร ม, มาสานิเป็นศีลไม่พร้อยพุชิตสาริเป็นศีลที่เป็นไทย วิญญุ ป, ปสัสสถานิเป็นศีลอันผู้รู้สรนเสริญอัปปรมามัทธานิเป็นศีลอันตัญหาและทิฏฐิไม่แตะต้องสมาธิสังวตตานิกาน้เป็นศีลที่ยังสมาธิให้บังเกิดขึ้นและศีลเหล่านั้นคฤหัสถ์พึงระลึกถึงศีลทั้งหลายของคฤหัสถ์บันพชิตพึงระลึกถึงศีลทั้งหลายของบันพชิต อธิบายคุณลักษณะของศีลแปดอย่างศีลทั้งหลายจะเป็นศีลของเข้ารืหัดหรือศีลของบรรพชิตก็ตามศีลเหล่าใดในเบื้องต้นหรือเบื้องปลายแม้สิกขาบทเดียวก็ไม่มีขาดศีลเหล่านั้นเป็นศีลไม่ขาดเหมือนผ้าที่ขาดตรงชายฉะนั้นจึงชื่อว่าอคคันธานิเป็นศีลไม่ขาด ศีลเหล่าใดตอนกลางแม้สิกขาบทเดียวก็ไม่มีขาดศีลเหล่านั้นเป็นศีลไม่ทะลุเหมือนผ้าที่ทะลุตรงกลางผ้าฉะนั้นจึงชื่อว่าอจิธานิเป็นศีลไม่ทะลุศีลเหล่าใดไม่มีขาดไปตามกำลังสองสิกขาบทบ้างสามสิกขาบทบ้างศีลเหล่านั้นเป็นศีลไม่ด่าง เหมือนแม่โคมีสีตัวด่างดำหรือด่างแดงอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยสีที่ตัดกันมีสันฐานยาวและกลมเป็นต้นซึ่งผุดขึ้นตรงหลังหรือตรงท้องฉนั้นจึงชื่อว่าอสระพลานิเป็นศีลไม่ด่างศีลเหล่าใดไม่มีขาดเป็นระหว่างระหว่างศีลเหล่านั้นเป็นศีลไม่พร้อย เหมือนแม่โคมีลายเป็นจุดๆตัดสีกันฉะนั้นจึงชื่อว่าอัคกมาสานิเป็นศีลไม่พร้อยอีกประการหนึ่งว่าโดยที่ไม่แปลกกันศีลทั้งหลายแม้ทุกทกประเภทชื่อว่าเป็นศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลไม่ถูกทำลายด้วยเมถุนสังโยคะเจ็ดอย่างและบาปธรรมทั้งหลาย มีความโกรธและความผูกโกรธเป็นต้นศิลทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าพุชิสานิเพราะทำความเป็นไทยโดยปลดเปลื้องออกจากความเป็นธาตแห่งตัญหาชื่อว่าวินยุ ป, ปสัสสถานิเพราะเป็นศีลอันวินยุชนทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสันเสริญแล้ว ชื่อว่าอัปปรามัทธานิเพราะเป็นศีลอันตัญหาและทิฏฐิทั้งหลายมิได้แต่ต้องหรือเพราะเป็นศีลอันคใครๆไม่พึงกล้าที่จะปรามาดว่านี้โทษในศีลทั้งหลายของท่านชื่อว่าสมาธิสังวัตตนิกานี้เพราะเหตุที่เป็นศีลอย่างอุปจาราสมาธิหรืออัปปนาสมาธิ ให้บังเกิดได้และหรือแม้อย่างมัคคะสมาธิและพละสมาธิให้บังเกิดก็ได้ด้วยองค์ชานห้าเกิดเมื่อโยคีบุคคลระลึกอยู่เนืองๆถึงศีลทั้งหลายของตนด้วยอำนาจแห่งคุณมีความเป็นศีลไม่ขาดเป็นต้นอย่างนี้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 แต่เพราะเหตุที่คุณของศีลทั้งหลายเป็นสภาพที่ล้ำลึกอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่โยคีบุคคลน้อมจิตไปในอนันระลึกถึงคุณอย่างนาน า, นาประการอย่างหนึ่งฌานจึงไม่เกิดขึ้นถึงขั้นอัปปนาถึงเพียงขั้นอุปจาระเท่านั้นฌานนี้นั้นถึงซึ่งอันนับว่าศีลานุสติฌานเพราะเหตุที่เกิดขึ้น ด้วยอำนาจการประลึกถึงคุณของศีลนั่นแหละอ น, นิสงส์งการเจริญศีลานุสติก ร, รมมฐานก็แหละภิกษุผู้ประกอบหนึ่งๆซึ่งศีลานุสติก ร, รมมฐานนี้ย่อมเป็นผู้มีความเคารพในสิกขาเป็นผู้มีความประพฤติเข้ากันได้กับสิกขา เป็นผู้ไม่ประมาทในการปฏิสันฐานเป็นผู้หลีกเว้นจากภัยมีการตำหนิตนเองเป็นต้นเป็นผู้มองเห็นภัยในโทษอันเล็กน้อยย่อมได้บรรลุถึงซึ่งความภัยบู์ด้วยคุณธรรมมีศรัทธาเป็นต้นเป็นผู้มากลน้นด้วยปีติและปราโมทก็แหละเมื่อไม่ได้แทงตลอดคุ ณ, ณวิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปในชาตินี้ ก็ยอมจะเป็นผู้มีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเพราะเหตุฉะนั้นแหละโยคาวาจรบุคคลผู้มีปัญญาดีพึงบำเพ็ญความไม่ประมาทในศีลานุสติภาวนาซึ่งมีอนุภาพอันยิ่งใหญ่ดังพันานามานี้ในการทุกเมื่อเทินกถามุกพิสดาในศีลานุสติกรรมฐานยุติลงเพียงเท่านี้